เ, เมื่อวันที่2เดือนธันวาคมพศ2510ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบูรญาณสัมปันโนวัดนี้ดำปกติที่เคยเป็นมารู้สึกจะเป็นวัดที่แร่นแค้นกันดาลอยู่บ้าง สหรับท่านที่เคยได้รับความสะดวกสบายมาแล้วในเรื่องปัจจัยสี่ขะนั้นท่านผู้ใดที่จะมาอยู่ในวัด น, นี้ผมถึงรู้สึกไม่สะดวกใจแทนที่เดียวคืงว่าจะไม่รับความสะดวกเท่าที่ควรดังที่เคยเป็นมาข้อนี้เนื่องจากเกี่ยวกับนิสัยเป็นสิ่งสําคัญ นิสัยของาธาตุก็มีนิสัยของใจก็มีนิสัยของาธาตุคือาธาตุัองเรานึกเคยอยู่ในสถานที่ใดเคยใช้ส้อยได้ล ะ, ละตลอดถึงการรับทานการดื่มมีความเคยกินไปทางใดธาตุขันก็ย่อมเป็นไปทางนั้นเมื่อมีสิ่งที่แปลกเข้ามาเกี่ยวข้องาธาตุขันก็รู้สึก ไม่สะดวกส่วนด้านจิตใจก็เป็นความรู้สึกไปตามสิ่งและล้อมที่เคยเป็นมาเพื่อสิ่งเกี่ยวข้องกับเราเป็นสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้าสอยเป็นอย่างไรจิตใจก็ย่อมมีความรู้สึกเคยกินไปกับสิ่งที่ตนเคยช่าเคยสอยเหล่านั้นเป็นเหล่านั้นีเรามาได้รับความรู้สึกที่เกี่ยวกับสิ่งเกี่ยวข้องแตกต่างกันธาตุขันก็ เริ่มไม่สะดวกจิตใจก็เริ่มไม่สบายนีย่ที่ว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคได้สาหรับความเคยชินของทานและขันซึ่งเคยเป็นมาดั่งเดิมเราจะมาแก้ไขใหม่ก็รู้สึกว่าลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันดีไม่ดีก็ไปไม่ได้ต้องไลลงสู่นิสัยเดิม ในข้อเหล่านี้เราซึ่งเป็นนักบวชบวชได้คํานึงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นวงศ์แห่งพระศาสนาสืบมาจนบัดนี้มาหลักธรรมะคําสอนทุกบททุกบทที่ได้มาจากความบริสุทธิ์ตลอดถึ้งความบริสุทธิ์ในประไทศไทยของพระพุทธเจ้าได้นั้นได้มาจากการเปลี่ยนแปลงฝึกหัดพระองค์ท่านแม้จะเคยเป็นกษัตริย์ได้รับความ สะดวกระกายสบายพระไทยมาเท่าไหร่ก็ต่างาเวลาเสด็ดอจออกทรงประนวดแล้วเปลี่ยนความรู้สึกตลอดถึงธาตุขันพยายามเปลี่ยนแปลงไปตามใจทั้งหมดคือฝืนพระองค์ท่านด้วยความดัดแปลงตนเองสิ่งที่เคยมาอย่างไรก็พยายามดัดแปลงฝืนความเคยเป็นมาของตน จริงเลยสะดวกในการปฏิบัติแล้วความตรัสรู้ก็ปรากฏขึ้นมาจากความฝึกฝนดัดแปงธรรมะที่เกิดขึ้นจากความบริสุธิ์ดของใจที่เด็ดตรัสรู้ตรัสรู้แล้วนั้นก็กลายเป็นธรรมะให้ความร่มเย็นแก่โลกทุกท่านที่ได้ออกมาบวชในพระศาสนาบวดนำรประวัติของพระโพธเจ้า เน้ลหลักธรรมมาเป็นเครื่องทดสอบกับตนเองซึ่งเคยเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างบัดนี้เราก้าวเข้ามาสู่หลักพระธรรมวินัยความรู้ความเห็นความเป็นของจิตที่เคยเป็นหรือเวลานี้กับหลักธรรมเข้ากันได้หรือไม่เราต้องม า, มาเทียบเทียมส่วนไหนบกพร่องตามความจริงแล้วก็ต้องบกพร่องในทางเรา าศาสนาธรรมไม่ได้บกพร่องถึงสัมพันธ์ก็คือบกพร่องในตัวของเราเมื่อเป็นนี้เช่นนั้นแล้วพยายามดัดแปลงความบกพร่องของตนให้เข้าร่องรอยของหลักพระธรรมวินยัยแม้่กายจะมีความขัดข้องแต่พยายามดัดแปลงทางใจกายก็จะเป็นไปตามใจ ไม่นอกเหนือไปจากใจได้เลยนี่เป็นหลักใหญ่การอยูด่ด้วยกันเป็ น, นเป็นพวกมีจำนวนมากน้อยและมาจากสถานที่ทต่างๆซึ่งต่างก็ได้มีความเคยชินมาประจำใจของตนแต่ละรายอะไายเมื่อเข้ามาอยู่ด้วยกันทางด้านจิตใจอาจจะมีความกัดข้องอยู่บ้าง เป็นบางประการในข้อนี้กอนให้ทําความรู้สึกว่าเราเป็นน้าบวชมีหลักทํามวินัยเป็นอันเดียวกันปฏิบัติตนต่อหลักทํามวินัยเท่านั้นถ้าถูกต้องตามหลักทํามวินัยแล้วก็ อ, อยู่ด้วยกันเป็นจุกสิ่งสําคัญเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องความเอาแต่ใจตัวนั้นมันช่เรื่องของพระของเราที่จะนํามาใช้ ในตนเองและส่วนรวมนี่เข้าใจว่าบรรดาท่านที่เป็นนักบวช ท, ทั้งหลายพอทราบได้แล้วเพราะเราเคยได้เห็นผลของความเป็นอย่างนี้ซึ่งมีมาในเรามาทุกระยะเมื่อจิตของเราเป็นอย่างนั้นเราได้รับความสะดวกจากความเป็นอย่างนั้นของเราหรือไม่คนอื่นได้รับความกระทบกระเทือนจากเราหรือไม่นี่เรา ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันคงจะทราบมาด้วยดีในผลที่แสดงออกจากความปล่อยตามใจทีนี้ย่นเข้ามาอีกถึงเรื่องใจของเราที่จะพยายามฝึกตนต่อหลักธรรมวินัยตามธรรมดาใจจะต้องฝืนอีกเช่นเดียวกันพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้เข้ากับหลักของพระธรรมวินัยเพราะหลักธรรมวินัยกับใจของเรานี้เป็นสิ่งที่เข้ากันได้ ในเมื่อมีความสนใจและพยายามพึ่งหาดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปอย่างนั้นไม่มีทางอื่นจะไปต้องเป็นไปในทางที่ถูกและเยือกเย็นแต่ตนเองอมุ่งต้นก็ต้องมีความทุกข์ความลําบากบ้างนี่ไม่ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะไม่มีข้อยกเว้นต้องมีความลาบากเห ม, อเมือนกันเพราะการทํางานใครจะรับความสะดวกสบายที่ไหน ไม่ว่า ง, งานทางโลกไม่วงงานทางธรรมะเช่นเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาว น, นาจะอยู่ในท่าอิยาบทตได้ก็ตามหน้าที่ของเราที่ทำอยู่ภายในจิตก็ชื่อว่า ง, งานของจิตย่อมเลยแล้วความจะไม่สะดวกเป็นธรรมดาแต่ว่างานที่ไม่สะดวกนี้ก็เพื่อผลคือความสบายแจกใจของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเราไม่ว่าทางโลกทางธรมรมจึงต้องไม่มีการเบื่อหน่ายในงานจนถึงกับไม่ต้องทํากัน ถึงจะลำบากก็ทำเพราะเห็นผลเล็งเห็นผลที่จะนำประโยชน์มาให้เราในส่วนดวงอยู่แล้วอยูจิงนอยู่กับครูอาจารย์มาแล้วไม่รู้จักของวัดปฏิบัติแล้วก็พยายามให้ขยืดส่วนละเอียดขึ้นไปภายนอกรอบขอบแล้วรูแล้ว ก็พยายามทำภายในให้ร็อกขอบขให้รูปภายในผู้ที่มาใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในข้อวัดปฏิบัติก็พยายามสังเกตสอดรู้ทางหูทางตาแล้วให้เข้าถึงใจยืดไวเป็นหลักฐานดังนั้นเราไปที่ไหนเราก็จะได้ความรู้ไปเรื่อยๆเพราะความตั้งใจเป็นทางเกิดแห่งความรู้วิชาต่างๆนาน ตำแหน่งสาคัญตําหนับวัดนี้ที่เป็นความไม่สะดวกคือการขบชันอาหารหวานขาวนั้น แต่มากกว่าสะดวกสำหรับท่านผู้ไม่เคยชินแต่ผู้ที่เคยดัดแปลงมาแล้วและเคยกินแล้วนั้นจะมีแตกต่างกันอยู่บ้างถ้าอย่างไรก็ตามทั้งท่านที่เคยชินทั้งท่านที่ไม่เคยชินก็เป็นความจำเป็นด้วยกันคือต้องฝึก นีเป็นหลักใหญ่ที่จะให้เกิดความเคยชินขึ้นดูกับการไปอยามุ๊กหลักใดของสิ่งนี้นก็คือใจถ้าฝุกใจได้แล้วไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในจะยอมจำนวนเราทุกได้ไม่เหนืออำนาจของความฝุกไป ปล่อยตามอำเภอใจนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกสบายอยู่ที่นี่ก็เข้าใจว่าที่นั่นจะสบายอยู่ที่นั่นก็เข้าใจว่าที่โน้นจะสบายความจริงความไม่สบายนั้นมันอยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกับคนไข้อยู่ในบ้านก็ไม่สบายไปหาหมอก็ไม่สบายไปเข้าอยู่ในโรงพยาบาลตึกใดห้องใด เตียงใดก็ไม่สบายจนกว่าว่าโรคกับยาเมื่อรับเข้าไปแล้วจะถูกต้องกันยาก็ถูกกับโรคโรคก็สงบลงไปคนไข้ก็ค่อยเปลี่ยงแปลงจากความไม่สบาย กลายเป็นความสุขขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหายขาดจากโรคที่เกิดจากการพยายามรับยาและยาก็ถูกกับโรคเวลาเข้ามาสู่โรงพยาบาลก็เป็นคนไข้เข้ามาออกจากโรงพยาบาลไปก็กลายเป็นคนปกติหายจากไข้แล้วพูดถึงเรื่องความความทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นแล้วในทํานองเดียวกันเราก็ให้ ปฏิบัติตนอย่างนั้นเวลานี้ต่างท่านต่าง ท, ทุกทุกท่านแม้แต่ผู้เทศเองก็ต่างคนก็เป็นผู้มีกิเลสเรียกว่าเป็นโรคภายในใจจะเรียกว่าไข้าภายในก็ถูกเราก้าเข้ามาสู่หลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าบนตนเราก็เป็นคนไข้ก้าวเข้าไปสู่ครูบาอาจารย์ก็เป็นคนไข้ อยู่ในสถานที่ใดในวงวัดวัดใดกุฏิใดเราก็เป็นคนไข้เพราะมีทุกข์อยู่ภายในใจคือกิเลสเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเราเข้าไปสู่วัดนั่นแล้วให้ทำความรู้สึกว่านี่เราเป็นผู้มาศึกษาเช่นเดียวกับคนเข้าไปโรงพยาบาลเพื่อหมอจะได้รักษา พยายามปฏิบัติตามโอวาคคำสอนของพระโพธิจารย์ที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำสัง่งท่านแนะนาสั่งสอนเราพยายามบึกบืนไปถึงจะยากลำบากก็ให้เป็นทํานองกับคนรับยาหรือยอมตัวให้หมอฉีดยาผ่าตัดอะไรเหล่านี้ไม่ฝืนจิตใจของเราก็จะค่อยกลายเป็นคนที่ เรียกว่าโรคที่ถูกกับยาคือธรรมะใจก็จะคอยสบายขึ้นเป็นลำหนักลำหนักก้าวเข้ามาสู่วัดเป็นคนสิ้นเป็นคนมีกิเลสคือโรคประ จ, จําใจก้าวออกจากวัดไปอย่างน้อยให้เป็นผู้มีกิเลสเบาบางเหมือนกับคนไข้ทุเราแล้วกลับไปบ้านมากกว่านั้นขอให้เป็นทํานองที่ว่า เก้าเข้าไปสู่วัดใดเป็นคนมีกิเลสแต่เป็นผู้มีความขาม็งเขม่นสืกผลอบรม ต, ตนตามหลักธรรมของท่านที่สอนเก้าออกจากวัดท่านไปให้เป็นผู้สิ้นกิเลสซึ่งเหมือนกับคนที่เก้าเข้าสู่โรงพยาบาลเป็นคนไข้กลับออกมาบ้านกลายเป็นคนหายจากไข้คือเป็นคนดีธรรมดาหมอก็จะเป็นที่ปรุงใจ คนไข่ก็หายห่วงเป็นสุขขึ้นมาเครือญาติทั้งหลายก็เบาใจหายห่วงไปตามๆกันเราก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันครูบาอาจารย์เมื่อเห็นลูกศิษย์ตั้งใจประพฤตปฏิบัติ ด, ดีก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจอาจทำมีเท่าไหร่ก็โกยออกมาเช่นเดียวกับหมอไม่เสียดายยารักษาจนหาย เห็นลูกจิตมีความสงบใจสบายภายในจิตอาจารย์ก็มีความปลื้มอกปลื้มใจยิ่งเห็นลูกจิตเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติความหลุดพ้นและวิมุตติยานัศนะความรอบครอบอย่างเต็มภูมิภายในใจอยู่ในวัด หรือก้าวออกจากวัดก็เป็นที่ยินดีตัวเองก็ภาคภูมิใจสมกับควา ม, มุ่าปรารถนาที่ก้าวเข้ามาไปสู่วัดนั้นๆไปที่ไหนก็ทำประโยชน์ได้ตลัด ป, ประชาชนคนเมืองที่มีความหวังดีจำนวนไม่น้อยเขาก็จะรับความร่วมเย็นจากเราผู้เย็นไปแล้ว แ้วจะเลยทำประโยชน์ไปอีกเป็นเวลานานๆานโลกทั้งหลายจะได้รับความร่มเย็นเพราะต่างคนก็ต่างมีความรุมร้อนประจำใจของตนมาเป็นเวลานานซึ่งกําลังสอดแสลงหาหม อ, อหมออยู่เป็นประจำแต่ไม่เจอหมอก็อมาเจอเราเป็นผู้ทําประโยชน์ให้โลกซึ่งเที้ยวก็หมอคนหนึ่งโลกทั้งหลายจะได้รับความภาคภูมิใจอย่างไม่มีอะไรจะขาดจะไม้ไม่มีอะไรจะประมาณคุณมค่าได้ ขอให้ปากันตั้งอกตั้งใจฝึกพิษปฏิบัติฝึกผลท ร, ร, า ร, รมานตนเองสิ่งใดถ้าหลักทำดินัยท่านว่าอย่าแล้วเราอยากฝืนสิ่งใดที่มือเพื่อนหรือครูบาอาจารย์ว่าไม่ควรเราอยากฝืนให้พยายามจำนวนตนด้วยข้ออัดข้อทำการฝืนหลักทำหลักดินัยไม่ใช่เป็นความดีต่อตอนเอง การฝืนหมู่ฝืนเพื่อนไม่เป็นความดีแก่ตนเองและหมู่เพื่อนจะกลายเป็นก้างขวางคอไปหมดขวางคอตนเองแล้วยังมาแล้วยังออกขวางคอคนอื่นเป็นของที่ไม่ดีไม่งามเลยสาหรับนักบวชเราไม่ควรใช้จนกระทั่งถึงวันตายเพเรื่องของนี้โลกบนนมืองดีเขาเขก็ขมีแต่เขาไม่ค่อยช้ากันนอกจากคนที่จะหูร้ายทารุณที่สุดซึ่งตายแบบไม่มีป่าช้าเขาจะทํา คนที่แบบพระเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องมองดูหลักทำหลักวินัยไม่เห็นอันใดยิ่งกว่าอำนาจก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมวาสนาก็เกิดขึ้นจากธรรมอะไรก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมอยู่ก็อยู่ด้วยธรรมไปด้วยธรรมมาด้วยธรรมกินก็เป็นธรรมนอนก็เป็นธรรมยืนเดินอยาบททั้งสี่เป็นธรรมล้วนๆเราก็เยน็นมือเพื่อนก็จับตาก็จับใจ เราเองก็ดูตื่นภายในใจสามายทั้งเราสามายทั้งท่านที่เกี่ยวของนี่แหละนาจของธรรมะท่านมีอยู่ภายในใจของผู้ใดทำผู้นั้นให้ร่มเย็นคนอื่นให้ร่มเย็นอีกด้วยถ้าว่าเป็นยาพิษมีอยู่ในใจตัวเองเป็นอันดับแรกจะต้องถูกเผาร้นมากกว่าคนอื่นจากนั้นก็ระบายออกมาให้คนอื่นเดือดร้อนชื่อว่ายาพิษแล้วมันต้องเป็นพิษเสมอไปจะเก็บ ไว้ในบ้านก็คือยาพิษใครไปแตะต้องมันก็เอาเล่นงานเหมือนกันพอออกไปใช้ก็เป็นอีกอยู่ปกติก็ชื่อว่ายาพิษนี่ความชั่วนั้นอยู่ตามปกติมันก็เป็นความชั่วอยู่แล้วใครไปจับต้องขึ้นมาก็คือคนนั้นได้เข่าใกลชิด ส, สนิท ก, กับความความชั่วก็จะกลายกลายเป็นความชั่วและให้ผลเป็นทุกข์ขึ้นมานําออกไปใช้มากน้อยความแคบแต่ไหนก็จะเป็นความทุกข์ระบาดนั่งทักก่วไปตามอํานาจของ ยาพิธทีมันแสดงฤทธิ์ไปถึงไหนสิ่งเหล่านี้ทางหลักธรรมในจริงไม่นิยมในวงคนดีในวงของนักบวชและนักปฏิบัตินี้ไม่นิยมใช้กันมีแต่จะพยายามผลักสสยออกไปให้ห่างจากตัวให้ห่างจากมือเพื่อนเหลือไว้แต่ความร่มเย็นเป็นจุดต่อกันนี่เป็นเรียกว่า เป็นพระที่มีคุณค่าเป็นพระที่มีโอชารสตัวเองก็ได้ดูดดื่มความเป็นสุขคนอื่นก็ได้สบายจิตสบายใจไม่เดือดร้อนบุญวายเพราะไม่เกิดความโกรธควาเพลินจากการ น, านาําทิเรศมาใช้วัดก็เย็นมีจํานวนมากน้อยเป็นเครื่องประดับกันไปให้สวยงามจะทั้งทั้งวัดมีจํานวนน้อยก็สวยงามมากเท่าไหรก็สวยงามถ้าเป็นของสวยงามต้องเป็นอย่างนั้นของดีมีมากเท่าไรก็ดี ของชั่วมีน้อยก็ไม่ดียิ่งมีมากก็ทกําโรคหัวใจหายได้ความชั่วเกิดขึ้นภายในใจิต ใ, ใจของเราเกิดขึ้นน้อยก็รู้สึกไม่ค่อยสบายยิ่งเกิดขึ้นมากแล้วบางคนฆ่าตัวตายก็มีจำนวนไม่น้อยนี่ถึงขีดนอกจากจะทําคนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็ยังฆ่าตัวเองอีกนี่อำนาจของความเป็นโทษมันเป็นอย่างนั้นการบวชมาในศาสนาเพื่อมาศึกษาให้รู้ทั้งโทษทั้งคุณให้รู้ทั้งวิธีถอดถอนแก้ไขให้รู้ทั้งวิธีบําเพ็ญ ส่วนใดที่เป็นมควรแก่การถอดถอนพยายามผลกักสายมันออกไปอย่าเข้าใกล้คิดสนิตแม้มันอยากจะ ค, คิดอยากจะทําอยากจะพูดก็สะกดหรือบังคับมันไว้อย่าให้มันออกมาครั้งนี้เราบังคับได้อย่างนี้ครั้งต่อไปก็ค่อยง่ายลงไปถ้าเราเปิดทางให้เขียนในคราวนี้คราวหน้ามันไม่ได้เปิดแล้วทะลุไปเลยทีเดีเประตูมีไม่มีไม่สําคัญเพราะเคยออกแล้ว แคยไม่มีรู้วกลายเป็นคนไม่มีรู้ะถ้า ม, มีรู้แล้วก็หมดทางไปอยู่นั้นก็ร้องไปหมดฉะนั้นเราเป็นน้าบวดพยายามสั่งสมความดีแต่อยากลาบากก็คือรู้ของพระพุทธเจ้า ก, ก็เราเป็นพระแล้วนี่อะไรพระของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระประเภทใดถ้าไม่ใช่เป็นพระประเพณีหนักก็เอาเบาก็ทนไม่ถอยหลังนี่คือพระของพระพุทธเจ้า ต้องเป็นอย่างนั้นแดดองยอมรับว่าร้อนเพราะเราเป็นร่างกายเหมือนกับโลกทั่ทวไปหนาวก็ก็สู่อะไรลำบากที่ว่าเป็นความรอบทําแล้วเป็นนักสู้ไม่ใช่นักถอยหลังจนมีความเคยชินแต่ น, นิสัยใจข้งเราทาเด็ดให้เด็ดไปในทางที่ดีอย่าเด็ดแต่ทางที่สังหารทําลายตนเองและผู้อื่นเด็ดร้อนและสังหารผู้อื่นไม่เป็นทางดีเลย ให้เด็ดให้เด็ดไปในทางที่ดีให้โลกอยูอาศัยอืมมาจาของเรามันจะพูดเด็ดออกมาก็ให้มันเด็ดในทางเป็นอัดเป็นทำอย่าให้เด็ดเนนกินอำนาจที่เด็ดตันหามักขับบัญชามาออกออกมาโลกจะเดือดร้อนหมู่เนจะเดือดร้อนกลายเป็นเรื่องเหม็นไปทั่วทั้งดินแดนไปที่ไหนเข้ากับหมู่มาติดก็เหมือนกับอาจมล่ะใครเห็นก็ต้องรีกไม่กลัวมันกัดเหมือนเสือก็ตามแต่ก็สิ่งที่กลัวฤทธิ์ของมันมันมีอย่างที่เราทราบ ขอให้ผ่านกันตั้ง อ, อกตั้งใจเธอยขอละหมากันนะรู้สึกวันเหนื่อยๆพุก็ดียิ่งขออยู่กี่เพียงเท่านี้น